อาจารย์เลนพรพวกเราสวัสดีปีใหม่ยังใหม่อยู่เนาะนักเรียนเยอะหลวงพ่อดีใจนะเจอเด็กๆปกติตามวัดมีแต่คนแก่ยากเว้นวัดหลวงพ่อนะวัดหลวงพ่อคนหนุ่มคนสาวเยอะคนหนุ่มคนสาวรุ่นนี้คนไหนไม่พ่อนาค่อนข้างเฉยแล้วหนะลวงพ่อก็ดีใจกับอาจารย์ซุขนะอาจารย์สุขเป็นคนซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ดี จารซุปมีความรู้ดีนี่ลําพังมีความรู้ดีเปิดโรงเรียนให้พวกเรามาเรียนเนี่ยแค่นี้มันไม่พอคนมีความรู้ดีอย่างเดียวไม่พอยิ่งมีความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีนะมันก็เป็นโจรที่เก่งอันตรายที่สุดเลยบ้านเมืองเราตอนนี้น่ากลัวบ้านเมืองเราน่ากลัว คนมีความรู้ความสามารถมีมากอัตราคนรู้หนังสืออัตราอะไรพวกนี้ของเราสูงแต่ว่ามันเป็นสังคมที่คอรัปสังคมที่ ค, ทค่อนข้างทุจริตนักการเมืองก็ไม่ซื่อกับประชาชนใช่แต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยเราทาเป็นยิ้มยิ้มนะในบ้านเรามีปัญหาไหมก็มีเหมือนกันลูกศิษย์กับอาจารย์ก็มีปัญหา หรือในจ้างลูกจ้างนะก็มีปัญหานะปัญหามันสารพัดปัญหาเลยจุดใหญ่ใจความคือคนเรามีความรู้นะมีความสามารถแต่ขาดจริยธรรมขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ซุปพยายามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้พวกเราด้วยแทนที่เราจะเป็นคนเก่งเก่งคณิตศาสต ร, ร์อย่างเดียวไม่พอนะ คนเก่งอย่างเดียวไม่มีคุ ณ, ณธรรมเลยเป็นคนเก่งที่ชั่วเป็นคนชั่วที่น่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวกว่าพวกงโง่โง่ที่ช่วยเงี้ยพวกเราต้องฝึกฝนตัวเองวิชาความรู้ทางวิชาการเราต้องต้องพัฒนานะให้ทันโลกแต่ทางจิตใจเราต้องทันใจตัวเองไม่ใช่ทันโลกข้างนอกนะวิชาการเราต้องทันโลกแต่ว่าด้านจิตใจเราต้องรู้ทันใจตัวเองให้มาก คนไหนไม่รู้ทันใจตัวเองจะตกเป็นเหยื่อจาไว้นะพวกเด็กๆเราจะกลายเป็นเหยื่ออย่างคนเขาผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเข้ามายั่วเราให้เราอยากได้นะอยากได้ก็หาเงินมานะขอพ่อขอแม่นะพ่อแม่ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วยุคนี้นะเราก็อยากได้เรามีความอยากเยอะบางคนก็หาเงินด้วยวิธีที่ไม่สุจริตตัวเราเองนะนะเด็กๆ เพรา้นเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้จิตใจของเราเนี่ยการพัฒนาความรู้ความสามารถทางโลกโลกก็เรียนกับอาจารย์ซุปไปนะแต่อาจารย์ซุขก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันไปเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีฝีมือด้วยนะหลวงพ่อเห็นไปทําหนังสือมาเล่มหนึ่งไปหาอ่านเอานะซึ่งทําขายหรือทําแจกทําแจกทําแจกนะลงทุนไม่ใช่น้อยนนะเล่มเมหนึ่ง อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทำํำนะพยายามเอาเนื้อหาธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะเอามาแปลให้ง่ายๆความจริงถึงไม่แปลเด็กรุ่นนี้ก็ค่อนข้างรู้เรื่องนะเด็กรุ่นนี้ไม่โง่หรอกมันแกล้งโง่แนะกล้งโง่ตามใจกิเลสเท่านั้นเองนี่ขั้นแรกเลยนะถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นไปนะขั้นแรกเลยเราต้องมีศีลก่อน พยายามถือศีลห้าศีลห้าเป็นเรื่องของคนฉลาดนะศีลห้าไม่ใช่ถือไปให้ลำบากคนที่มีศีลนนจะมีความสุขอย่างคนที่คิดจะไปฆ่าเขาคิดจะไปต่อยเขาใช่ไหมลำบากกว่าคนที่ไม่ฆ่าใช่ไหมคนที่คิดจะไปขโมยปเป ข, ข า, านเนี่ยมันลำบากกว่าคนที่คิดจะไม่ขโมยใช่คนที่จะไปเป็นชู่เขาอะไรอย่างนี้นะมันลำบากกว่าคนที่ซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองคนโกหกก็ลำบากนะต้องใช้ความจำมาก มีใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมในห้องนี้มันก็เคยกันทุกคนน่ะนะแต่ว่าเราไปเห็นว่ามันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ความผิดใหญ่ๆเนี่ยมาจากความผิดเล็กๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นเด็กๆก็โกหกเล่นๆนะต่อไปก็โกหกจริงจนะังเวลาคนที่จะโกหกนะต้องใช้ความจําเยอะใช่ไหมเราไปพูดกับคนนี้ว่าอย่างนี้เราต้องจํานะเดี๋ยวเราไปพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้ ส่นคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากอะความจริงมันไม่ต้องจำใช่ไหมงั้นอย่างคนมีศีล น, นะสบายอย่าไปนึกนะว่าเราถือศีลแล้วลําบากคนบางคนเข้าใจผิดว่าถือศีลแล้วจะลําบากทีจริงศีลทําให้เรามีความสุขเรามีความสบายนะมีศีลอย่างเดียวท่านี้ไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอที่จะสู้กับสิ่งยั่วยวนซึ่งสารพัดจริงๆเลยทุกวันนี้สิ่งยั่วยวนนี้สารพัดไปหมดเอง มันจะหลอกให้เราเป็นเหยื่อลูกเดียวเลยคนที่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นได้เนี่ยขั้นแรกเลยต้องเป็นเหยื่อกิเลสในใจของเราก่อนถ้าเราไม่เป็นเหยื่อกิเลสในใจของเราเนี่ยเราจะไม่เป็นเหยื่อของคนอื่นเพราะเราต้องรู้ทันเนี่ยขั้นแรกเราถือศีลไว้นนะเราไม่ทําชั่วไม่ทํำอะไรเสร็จแล้วเราคอยมารู้ทันใจของเราไว้ใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นเราค่อยรู้ศาสตร์ของศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลย วิชาความรู้ทั้งหลายที่เราเคยเรียนเนี่ยกระบวนการศึกษาหาความรู้นะเราคุ้นเคยกับการอ่านใช่ไหมการอ่านการฟังอย่างอ่านตำราหรือฟังอาจารย์ซุปฟังพี่ชายอาจารย์ซุปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากคนอื่นนะดีเหมือนกั น, นเราคุ้นเคยกับการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือด้วยการคิดมันมีวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีหาความรู้ของคนที่ฉลาดมากเลย คือการสังเกตการทําตัวเป็นผู้สังเกตการนะเป็นอ b เ e r v e r เป็นคนคอยสังเกตการการที่เราคอยสังเกตการการทํางานในใจเราคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยการรู้ทันตัวเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ามากเลยนะรู้ทันคนอื่นนะเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่รู้ทันใจตัวเองนี่ยากที่สุดเลยงั้นเราต้องคอยดูให้รู้ทันนะใจเราเกิดความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแนละมันอยากโน้น อ, อยากนี่ขึ้นมาเรารู้มันโมโห ข, ขึ้นมาเรารู้นะ มันเมอมอมันใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหมอไหมไปสังเกตนะวันหนึ่งเหมอบ่อยๆเหมอทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็เหมอแวบเดี๋ยวก็เมอแบบวอแบบอย่างตอนนี้น้องมุกเหมอไปแล้วนะใจหนีไปคิดแ ป, ป, ป, ป๊บไปนยะเนี่ยพอสอเนี่ ย, สยใส่เสื้อพอสอกำลังใจลอยไปรู้สึกไหมใจมันหนีไปนะให้เราคอยรู้ทันใจตัวเองนะหัดรู้ทันใจตัวเองแต่ละคนก็อยากมีคนรู้ใจ แต่ไม่มีใครยอมรู้ใจตัวเองใจของตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปให้คนอื่นเข้ามารู้ใจงั้นเราต้องคอยรู้ใจตัวเองนะใจเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันมันใจเรามีความโกรธความหงุดหงิดความกลัวความกังวลนะอย่างนักศึกษานักเรียนเนี่ยจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกังวลถ้าเราพาวนาเป็นนะเรารู้ทันใจที่กังวลเนี่ยความกังวลจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลย ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่เรื่องกิ๊กกิ๊กกอกกนะไม่ใช่ปรัชญาเลื่อนเลื่อนลอยๆศา ส, สนาพุทธเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเลยเป็นศาสตร์ที่จะสอนเราว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตแบบไม่มีความทุกข์ไดนะ้หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่นานนะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่ดื้อนะถ้าดื้อมากๆหลายปีก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ถ้าไม่ดื้อนะคอยรู้สึกตัวขึ้นมานะ แล้วดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกตัวเองไหมคอยศึกษาตัวเองเนี่ยทําตัวเป็นคนสังเกตการเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการถ้าเราสังเกตไปเรื่อยเราจะค่อยๆเห็นนกายนี้ใจนี้มันทํางานไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นด้วยว่ากระบวนการที่ให้เกิดความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันมาได้ยังไงใจมันจะมีความอยากทีแรกมันไปคิดก่อนนะคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดนู่นคิดนี่แล้วมันก็จะมีความอยากขึ้นมา อยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้พอใจมีความอยากใจจะเริ่มดิ้นเห็นมมีกระบวนการนะมีกระบวนการพอใจมันดิ้นดิ้นดิ้นขึ้นมาความทุกข์ในใจมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าใจมันรู้ใจมันตื่นใจมันเบิกบานขึ้นมาใจไม่ดิ้นรนนะใจไม่มีความหิวใจก็ไม่มีความทุกข์ใจมันหิวได้เหมือนท้องเราหิวได้นะใจเราก็หิวได้แถมใจนี่หิวบ่อยกว่าท้องอีกท้องเรานะถ้าไม่ตะกละเไหม วันละมือ้อสองมื้อมันก็พออิ่มแล้วแต่ใจเราจะหิวตลอดเวลาเลยถ้าเรารู้ทันนะความหิวนั่นจะหายไปความอยากจะหายไปแล้วความดิ้นรนจะหายไปพอจิตใจหมดความอยากหมดความดิ้นรนจิตใจจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเพราะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกมันเป็นศาสตร์ของความพ้นทุกศาสตร์อันนี้ต้องเรียนนึกเอาเองไม่ได้พวกเราบางคนอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกนะ ก็ไปนั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเคลิมเคลิมรูปหลูรูปหลูนะเรานั่งเราเห็นโน้นเห็นนี่อะไรอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆหรอกนะเป็นผิวๆเป็นเปลือ ก, เอกๆเท่านั้นเองเนื้อหาของศาสนาพุทธแท้ๆก็คือเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองนะคอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองบ่อยๆเนี่ยลูกเสือเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองเห็นไหมใจปุ๊บหนีไปเที่ยวแล้วนะใจมันไปคิด น้องมุกก็หลงไปคิดแล้วเห็นไหมเนตรนารีนั้นก็หลงไปลนะะเสื้อเขียวเขียวใช่ไหมเขาเรียกเนตรนารีา่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะลูกตาผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มีลูกตาก็ <c oughs> ไปดูนะ้ำแปลว่าอะไรนะสังเกตไหมใจเราจะหนีไปเรื่อยๆนะใจเราหนีแวบบแวบบแวบบไปหนีแล้วหนีไปไหนสังเกตไหมหนีไปคิดเนะี่ย เป็นมากหนีไปคิดใจเราหนีไปคิดแวบไปพอเราไปคิดนะบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์นะคิดบางเรื่องมีความสุขเห็นไหคิดบางเรื่องก็มีความทุกข์มีความกลัวมีความกังวลนะอย่างคิดเรื่องอยากเข้ามหาวิทยาลัยชักกังวลลนะนีนะนะใจเราหนีไปตลอดให้คอยรู้ไว้รู้ทันรู้ทันนะอย่าไปบังคับมันไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับตัวเองศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาเก็บกร ศาสนาพุทธพุทธแปลว่ารู้เนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธนะบางทีเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่ารู้นะแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานจิตใจของเราจะต้องีเป็นจิตใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตใจของคนในโลกเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตใจของผู้หลับผู้ฝันไป เราฝันตลอดเวลาคนในโลกนี้ฝันตลอดเวลาไม่มีใครที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆใจเราฝันยังไงสังเกตไหมใจเราคิดไปเรื่อยๆความคิดกับความฝันเหมือนกันนะคิดอย่างเราคิดคิดเอาว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็คิดได้ใช่ไหมหรือสาวๆคิดว่าเราจะเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้ใช่ไหมคิดได้แต่จริงๆเป็นหรือไม่เป็นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใจเราจะคิดไปเราให้คอยรู้นะ ใขารู้ทันใจที่ไหลไปคิดใครรู้ทันใจที่ไหลไปคิ ด, ค ร, ร, คดรู้สึกไปเรื่อยๆในวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษจิตเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่ออยากให้เด็กๆทั้งหลายเรียนนะพยายามเรียนเข้าเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังได้ข่าวว่าอาจารย์เขาก็แจกนะพยายามไปฟังนะฟังแล้วจะตื่นขึ้นมาการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยเพราะจิตใจจะสงบจิตใจไม่ฟุ้งซ่านหรอก จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเรียนนัสือก็จะดีขึ้นเรียนง่ายขึ้นภาวนาไปเอะดีทั้งร้านเลยนะหรืออย่างเราหนุ่มหนุ่มสาวสาวใช่ไหมอยากมีแฟนอยากมีกิ๊กอะไรเนี่ยเราภาวนาไปนะเรารู้ทันใจเราต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนนะเรารู้ทันมันหมดเลยมันจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกเพ้นแต่เราเต็มใจให้มันหลอกนะแล้วคอยรู้สึกนะหัดดูของเราไปเรื่อยๆไม่ยากเท่าที่คิดหรอก สังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมใจดีไปคิดละดูออกไหมไหลปุ๊บปุ๊บบปุ๊บดูออกไหมนะมันจะแอบไปคิดนละใจของเราเนี่ยฝันตลอดเวลาใจของเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะเวลาเราหลงไปคิดนะบางทีเราก็คิดตามกิเลสไปนะคิดไปตามความอยากคิดไปตามความกโกรธคิดไปอะไรสารพัดนะใจเราไม่มีความสุขหรอก นะให้คอยรู้สึกตัวใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกนะใจมันจะไหลไปคิดตลอดเวลาถ้ารู้สึกได้ต่อไปใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนะัเป็นศาสนาที่มีอะไรอยู่นะไม่ใช่ศาสนาที่ว่างเปล่าสอนสอนเลื่อนเลื่อนลยลอเป็นปรัชญาไม่ใชนะ่ไม่ได้สอนให้เราเชื่อด้วยนะแต่ว่าบอกวิธีให้เราพิสูจน์ด้วยนะวิธีพิสูจน์ศาสนาพุทธนะักนะ็คือรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้ทัน ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกพยายามรู้สึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรถ้าใครทำตามที่หลวงพ่อบอกนะประมาณเดือนเดียวท่านนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วมีคนไปหาหลวงพ่อเยอะแยะแต่และ ว, วันหลายร้อยคนนะเยอะแยะไปเรียนไปเรียนนะเวลาให้ส่งกันบ้านจะบอกหลวงพ่อกันทุกวันมีทุกวันบอกว่าชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปหมดละ อย่างบางคนมีแต่ความทุกข์มานานนะจมอยู่ในความทุกข์มาหัดรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตัวเองความทุกข์ตกหายไปแล้วนะั้นพวกเราฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสชาติของความสุขมันเป็นศาสนาที่ประหลาดมากเลยไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองบอกกระทั่งวิธีที่จะพิสูจน์วิธีพิสูจน์ก็คืออย่าลืมตัวอย่าใจลอยไป คอยรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไวหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวแต่อย่าไปเพ่งให้นิ่งนะอย่าไปบังคับให้นิ่งพวกเราหลายคนภาวนาแล้วชอบเอานิ่งภาวนานิ่งๆจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความนิ่งนะเราต้องการให้เห็นความเป็นจริงในกายในใจร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตใจของเราเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่คือความจริงของมันฉนะนั้นเราค่อยรู้ทันถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้มันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริง ค่อยฝึกนะแล้วเราจะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อหัดภาวนาครั้งแรกอายุเจ็ดขวบเองคงน้อยกว่าน้องมุกตอนนี้ใช่ไหมถึงเจ็ดขวบยังถึงแล้วนะหัดเจ็ดขวบนะหัดภาวนาตอนนั้นไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโการามหัดหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนฝึกแล้วได้แต่ความสงบไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านดีแต่ว่าเราเด็กมากตอนที่ไปเรียน ท่านเลสอนพื้นฐานทำใจให้สงบก่อนยังไม่ได้สอนถึงขั้นเจริญปัญญาแล้วท่านก็มรณาภาพไปก่อนหลวงพ่อก็เลยไม่มีอาจารย์ภาวนาเอาเองหายใจเอาเองทุกวันทุกวันนะฝึกทุกวันเลยจนถึงอายุย9่แล้วถึงได้เจอครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ดูลใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูลบ้างไหมมีหมยุคนี้คนได้ยินชื่อนะยุคหลวงพ่อไม่มีคนรู้จักหรอก สมัยที่หลวงปูดูลยังอยู่นะท่านเป็นพระที่มีความสุขมากเลยเพราะเป็นพระที่ไม่มีคนรู้จักสบายพระที่คนรู้จักไม่มีความสุขเลยนะเหนื่อยวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่หลวงพ่อไปหาหลวงปูดูลนะไปเรียนจากท่านไปถึงก็เข้าไปกราบบอกหลวงปู่ครับพร้อมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะสอนนะหลวงปู่กับนั่งหลับตานั่งนิงน่งๆไปเกือบชั่วโมงนะ่ะ เราก็โอ้หลวงปู่สงสัยเพิ่งฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนง่ายๆเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากจำไว้นะการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากเฉพาะคนที่มันไม่ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจริงคือการรู้ทันตัวเองนะนั้นการค่อยๆรู้ทันตัวเองนี่ไม่ได้ยากอะไรนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง ให้อ่านจิตตนเองจิตเรามีความสุขให้คอยรู้จิตเรามีความทุกข์ให้คอยรู้นะจิตเราเฉยเฉยเราก็รู้จิตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเราก็รู้จิตใจเราหงุดหงิดขึ้นมามีความโกรธขึ้นมามีความกลัวมีความกังวลมีความเสียใจขึ้นมาเราก็รูนะ้จิตใจมีความสุขก็รู้นะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปได้เราทำตัวเป็นนักสังเกตการณ์ที่ดีนักสังเกตการที่ดีเนี่ยนะก็ไปดูว่าของจริงๆเป็นยังไง วิธีการศึกษาด้วยการสังเกตการณนี่ถึงเป็นวิธีการที่สําคัญของชาวพุทธนะอย่างศาสนาอื่นเขาก็ดีของเขาอะนะแต่ว่าวิธีการของเขานี่ให้เชื่อก่อนเชื่อพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้าและชีวิตมีความสุขศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้มีความพักดีหรือศรัทธาอะไรอย่างนั้นแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจไปนะแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสุขที่สุดเลย หลวงพ่อไม่เคยเทศให้เด็กฟังรู้ฟังยากเกินไปหรเปล่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่นะาหัดดูใจของเราเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อกี้ใจเราขำรู้สึกไหมใจเราขำมันผ่อนคลายเราก็รู้ตอนนี้ใจของเราเริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมใจเราเริ่มนิ่งๆเราก็รู้รู้เล่นๆนะอย่าไปกดไว้น้องมุกอย่าไปเพ่งมันอย่าไปคมมันปล่อยให้มันทํางานเรารู้อย่าไปบังคับมันให้นิ่งนะ ลอยไปนะใครรู้สึกนะรู้สึกของเราเองไม่ยากเท่าที่คิดนะหลวงปู่ดูดบอกหลวงพ่อว่าไม่ยากแนะล้วหลวงพ่อก็พบว่าไม่ยากจริงๆง่ายเท่าง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะไม่ใช่เรื่องต้องบังคับตัวเองมากมายมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมจะใช้วิธีไหนที่จะคุยกันเทศนานๆเนี่ย เดี๋ยวเด็กรับไม่ไหวมีคนมีคนต่อคิวอยู่ครับเลอแต่เป็นเด็กทั้งหมดเลยครับไหนว่าไปเลย ม, มาเจ้าที่ขอของไหมเห็นไหมน้องมุกตื่นเต้นเห็นไหมตื่นเต้นทำยังไงดีรู้ว่าตื่นเต้นน ะ, นะให้คอยรู้ทันตัวเองน ะ, ะก็ช่วงนี้หนู ตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศนีก็เพงไว้มากเลยหืมหรู้จับเพลงเหรอเก่งแต่ว่าก่อนหน้านี้อะค่ะหนูจะหลงนานช่วงนี้จะปฏิบัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะเหรอแล้วหนูเอาอะไรมาวัดว่าดีหรือไม่ดีก็จะรู้สึกตัวน้อยครั้งอะค่ะวันนงเวลเารู้สึกน้อยครั้งก็รู้ว่ารู้สึกน้อยๆยนะเี๋ย่าไปกลุ้มใจนะแล้วก็คอยรู้สึกบ่อยๆก็แล้วกันมันไม่มีใครหรอกที่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลา มันต้องรู้บ้างเผลอบ้างบางวันก็รู้สึกได้บ่อยบางวันก็นานๆรู้สึกทีเป็นปกติที่ทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกังวล น, นะหน้าที่เราก็แค่คอยรู้สึกคอยรู้สึกอย่า ก, กดไว้นะยังเพ่งอยู่อย่าไปเพง่งใครสอนให้เรื่องเพง่งเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีอะค่ะหนูเพิ่งมาเพ่งตอนฟังหลวงพ่ อ, อเพ่งได้เนาะ แม่ที่หลวงพ่อถามหมายถึงว่าทำไมรู้ว่าเพ่งอ่ะ อ, อ, อาจารย์ซุปสอนรอเปล่าเรื่องเผลอเรื่องเพ่งอะไรเนี้ยโอ้อาจารย์ดีมากนะสอนคณิตศาสตรนะ์นนก็มีประโยชน์กับเราเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยนะแต่สอนศาสตร์ของจิตใจเนะี่ยที่อาจารย์สอนให้รู้ทันใจตัวเองเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขคนในโลกนี้ต้องการความสุข ที่อุตส่ามาเรียนอะไรต่ออะไรนะ่หวังว่ามีความรู้แล้วจะไปทำมาหากินมีเงินมากๆมีตําแหน่งดีๆแล้วจะมีความสุขเห็นไหมตัวสุดท้ายที่ต้องการคือความสุขนะงั้นทุกคนวิ่งหาความสุขในชีวิตตลอดเวลาเลยนี้เราอยู่กับโลกเราก็ต้องเรียนวิชาการไปไปทำมาหากินเลยอยู่กับโลกในขณะเดียวกันเราก็เรียนศาสตร์แห่งความสุขไปด้วยนะวิธีที่จะมีความสุขเราคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆ ความทุกข์ทั้งหลายเกิดตอนเผลอเท่านั้นตอนนี้จำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนอันนี้เป็นสัจพจน์นะความทุกข์ทั้งหลายในใจเราเนี่ยเกิดตอนเผลอถ้าเรารู้สึกอยู่มันจะทุกข์ไม่ได้หรอกให้เราคอยรู้สึกรู้สึกไปนะงั้นศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่จะทําให้เรามีความสุขนะแล้วไงอีกก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนํำหน่อยอะค่ะที่มุกทํำนะใช้ได้แล้วนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอก เด็กๆเนี่ยฝึกง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเด็กๆเนี่ยไม่มีมานยามากหรือเด็กรุ่นนี้มานยามากหลวงพ่อก็ชักไม่แน่ใจถนะ้าเด็กๆนี้ฉลาดหลอกผู้ใหญ่เก่งนะโดยธรรมชาติเนี่ยใจของคนนะเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำตลอดเวลางั้นบางคนพออยู่ไปนานหลายสิบปีไม่เคยพัฒนาใจเลยใจก็ลงไปต่ำมากเลยส่วนเด็กๆนะใจยังเหมือนผ้าขาวอยู่ซื่อ ซื้อๆอย่างเงี้ยภาวนาง่ายให้คอยรู้ทันมันไปนะรู้ทันไปอะไรมาเปื้อนเราก็รู้ทันนะพอเรารู้ทันเดี๋ยวมันหายไปเองอไอ้รอยเปื้อนนั่นนะไม่ต้องไปลบล้างอะไรหรอกรู้เฉยๆมันหายไปเองเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะอย่างความกโกรธลองไปทดสอบดูนะว่าหลวงพ่อพูดจริงไหมอย่างพอเรากโกรธใครสักคนนะเราจะไปดูคนที่เราโกรธนะให้เรารู้ทันใจที่กําลังกโกรธถ้าเรารู้ทันใจที่กําลังกโกรธเนี่ยความกโกรธจะหายไปเอง นะแต่ถ้าเราไปดูคนที่ทําให้เราโกรธแล้วเราก็คิดไปเรื่อยๆไอ้คนนี้ไม่ดีเราก็โกรธนานงั้นลองฝึกดูนะต่อไปนี้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราดูไปที่ความโกรธรู้ไปเห็นใจมันกําลังโกรธอยูนะ่ความอยากต่างๆเกิดขึ้นความโลภเรียกความโลภมันเกิดขึ้นอยากโน้นอยาก น, น, ากนี้เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมันแล้วมันจะหายไปเองนะคอยรู้ทันใจตัวเองไหมรู้ทันใจตัวเองดีที่สุดเลยนะรู้ทันใจตัวเอง นี่แหละเป็นศาสตร์ที่จะทําให้เราเติบโตไปนะยังมีความสุขคนทั้งหลายในโลกนะัน่าเสียดายน่าสงสารมีแต่ความรู้ทางวิชาการไม่รู้ศาสตร์แห่งความสุขอันนี้เพราะฉะั้นเอาวิชาการเนี่ยนะเอาความเฉลียวฉลาดนะไปทําความชั่วได้เยอะเลยแต่ถ้าเรามีศาสตร์แห่งความสุขอันนี้นะเรารู้ทันใจของเราได้เราจะทําชั่วไม่ได้คนทําชั่วได้ตอนเผลอเท่านะั้นคนจะทําชั่วตอนใจมันเผลอไปใจมันหลง ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันชั่วไม่ได้หรอกงั้นเราฝึกรู้สึกตัวนะรู้สึกไปเรื่อยอย่างครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็ชอบสอนใช่ไหมบอกให้เราเป็นเด็กดีใช่ไหมถามแล้วเป็นเด็กดีทํำยังไงะตอบไม่ถูกแล้วนะผู้ใหญ่ดีทํายังไงผู้ใหญ่ยังตอบไม่ถูกเลยเนีย่ยมากะเกณฑ์ว่าเด็กจะต้องเป็นเด็กดีแต่วันนี้หลวงพ่อบอกได้ถ้าเราอยากเป็นเด็กดีนะหรือรอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นให้คอยรู้ทันตัวเองไหม รู้ทันใจของเราไว้ถ้ารู้ทันใจตัวเองได้นะมันดีเองแหละแล้วมันมีความสุขเองแหละเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยเป็นาศาสตร์สาขาหนึ่งเลยนะเป็นาศาสตร์ที่ลึกลับมากเลยลึกซึ้งมากด้วยพระพุทธเจ้ากว่าจะค้นพบได้นะใช้เวลาลองผิดลองถูกตั้งนานนะนี่พอท่านค้นพบขึ้นมาแล้วมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆรู้สึกตัวอย่าใจลอยนะรู้สึกไปจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไป เดี๋ยวเราก็จะเป็นเด็กดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยแล้วไงมีกี่คนที่จะคุยกับหลวงพ่อวันนี้เอาน้องหมวยขอบคุณนะคะน้ำมการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ฝึกสติมาจริงๆแล้วหนูเป็นคนใจร้อนนะคะจะแบบว่าถ้าโกรธใครก็คือกโกรธแล้วก็จะแสดงออกแต่อพอฝึกกับหลวงพ่อก็รู้ท่านนะคะอย่างแบบ เดินเดินอยู่อะค่ะหลวงพ่อมีคนมาชนเราอะค่ะคือเราก็จะคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะโกรธแล้วก็จะแบบหันไปว่าว่าทำไมเขาไม่ขอโทษนะคะแต่ว่าพอฝึกสติกับหลวงพ่อก็รู้รู้ทันแล้วก็แบบเดินเดินไปก็คือรู้ทันว่าใจเรากำลังเผลอไปโกรธอะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าอาจารย์ซุบสอนลูกสิ ด, ดีไม่มีคำว่าเผลอไปโกรธ <c oughs> ถูกปเป๊ะเลยหรื่ปะถ้าไม่เผลอไม่โกรธหรอกนะแต่ไม่เผลอก็ไม่โลบนะ แต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลวงพ่อคือมันรู้สึกช้าคือเหมือนกับว่าคือเราพูดไปแล้วเราเหมือนเพิ่งรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเผลอไปอะค่ะนักมวยนะเวลาจะชกให้ไวอะเขาก็ต้องซ้อมชกของเราอยากให้สติเกิดไวเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสตินะเคยเรียนเคยฟังหนังสืออ่านหนังสือฟังซีดีหลวงพ่อได้ใช่ไหมสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่น งั้นทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะสัก10นาทีอะไรเงี้ยไม่มากนักหรอกเดี๋ยวไม่มีเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาเราจะไปเดินไปห้องน้ําเวลาเราจะกินข้าวอะไรเนี้ยเราแบ่งไเอาเวลาพวกเนี้ยมาสังเกตใจเราบ่อยๆนะอย่างทุกวันเราแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์สัหน่อยนะไหว้พระสวดมนต์ไปแล้วใจเราหนีพิคิดเรารู้ทันใจหนีพิคิดเรารู้ทันถ้าฝึกอย่างเนี้ยต่อไปสติจะเกิดเร็วถ้าไม่ซ้อมหนะ้ามันก็ไม่เกิดเหมือนนักมวยอะ่ะ ถือว่าเป็นแชมป์โลกแล้วไม่ซ้อมชกนะพอถึงขึ้นเวทีชกนะมันก็ชกไม่ออกงั้นเราต้องซ้อมให้เกิดสติค่ะแล้วก็แบบว่าคือบางทีเหมือนหนูพยายามบังคับตัวเองอะคะ่ะให้แบบทาอย่างที่เราอยากนะคะ<า>นะทำไมไปบังคับให้ทำอย่างที่อยากถึงไม่บังคับเมือนก็จะทำอย่างที่อยากอยู่แล้วละเพราะมันอยากจะทำศานะ ส, สนาพุทธไม่ใช่ศา ส, สนาเก็บกฎนะ แต่ถ้าความอยากอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทันความอยากนั้นจะหายไปเองแล้วคราวนี้ก็ถึงปัญหาที่ว่าเมื่อความอยากหายไปแล้วเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้จะเป็นเรื่องเหตุผลละสมควรทำก็ทำนะไม่สมควรทำก็ไม่ทำเช่นมันอยากกินขนมเนี้ยนะเรารู้ทันเราเห็นความอยากเกิดขึ้นความอยากจะสลายไปสมควรกินเราก็กินนะไม่ใช่ว่าต้องไม่กินนะ ขอบคุณค่ะหลวงพ่อแล้วจะนำไปปฏิบัติถ้าทางดีใจตรงนี้แหละ <c oughs> ยิ้มขึ้นมาเลยเนาะพหลวงพ่อกให้รู้ทันแล้วก็กินได้นำมาส ก, การครับคือผมอยากจะขอคำแนะนำครับว่าผมนี่ต้องปฏิบัติยังไงถึงจะถูกกับจริตครับของหนูนะมันเป็นคนคิดมากชื่ออะไรปอมครับชื่อปอมนะปอมปอมหรือปอมเฉยเฉ อ, อปอมาออ่างมามาครับอ๋อชื่อปอม ปอมก็คอยรู้ทันนะใจของเราเป็นคนคิดมากมันขี้กังวลอะไรเงี้ยให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจนะรู้ลูกเดียวเลยะไม่ได้ไปบังคับมันให้หายนะเดี๋ยวพอเรารู้ทันใจที่มันกังวลใจที่มันฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยพอเรารู้ทันเนียใจมันจะสงบของมันเองนะแล้วจะเรียนหนังสือเก่งขึ้นด้วยอย่าไปกดมันนะยังกดอยู่ปอมดูออกไหมตอนเนี้ไปกดใจให้นิ่ง ตื่นเต้นเลยไปกดเอาไวนะ้เตรียมไว้กี่คนจันเรนี้ยี่สิบเหรอมาสู้ตายมา <c oughs> นักุงก น, น, นค่ะคือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนขี้อายค่ะต้องใช้หลักธรรมอะไรคะที่ไม่ต้องขี้อายก็ดีกว่าหน้าด้าน <c oughs> เราเพียงแต่ว่ามันอายขึ้นมามันประมาทใช่ไหมมันประมาทอะไรเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรา ใจเราประมาขึ้นมาเราก็รู้ไปหัดรู้ใจตัวเองนะอย่างคนไหนขี้โมโหนะดูใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปก็ไม่โมโหคนไหนประมาเก่งขี้อายดูใจตัวเองบ่อยๆอีกหน่อยก็ไม่ขี้อายหรอกนะมันมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาไปฝึกตัวเองนะต้องช่วยตัวเองนะแลวการศึกษาที่ดีนะต้องสอนให้คนพัฒนาตัวเองให้ได้นะไม่ใช่สอนเป็นก๊อปปี้นะเป็นกระดาษก๊อปปี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ หลวงพ่อเลยชอบจา์ซุปนะสอนไม่เฉพาะวิชาการนะสอนคนให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆสมัรั ส, สการ์ค่ะคืออยากจะถามว่าปกติที่โรงเรียนจะให้นั่งสมาธิตอนเช้าว่ะค่ะคือแบบพอเผลอไปก็รู้ค่ะแต่แบบพอมันมีจุดนึงแบบมันก็หยุดคิดหยุดทุกอย่างเลยค่ะเฉยไปเลย อะไรเฉยเฉยเฉยไปเลยเฉยไปเลยค่ะคืออยากจะทำแล้วเพราะว่าจะทํำยังไงคะให้รู้ทันว่าเฉยนะแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เฉยเองแหละอย่าให้ใจเราเข้าไปไหลไปเกาะนิ่งๆกับความเฉยนะใจของหนูมันจะไปเกาะนิ่งๆกับความเฉยอยู่เะนั้นอยากอย่าให้ใจมันถลําลงไปถอยออกมาห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นอนะ่ะอย่าให้ใจจมลงไปลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิเนี่ยรู้สึกไหมเราไปเพ่งใส่มัน เราไปจ้องไว้ตรงที่เราจ้องอย่างเนี้ใจมันจะถลําลงไปนะจะนิ่งๆไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ในทางาศาสนาพุทธเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกแล้วก็ใจนิ่งๆได้แต่ความสงบนะงั้นเราถอยออกมานิดหนึ่งเราค่อยรู้สึกเห็นร่างกายมันทํางานเช่นมันหายใจเห็นจิตใจมันทํางานนั่งแล้วคอยดูกายคอยดูใจะจะได้ไประโยชน์กว่านั่งแล้วให้ซึมจิตของหนูนั้มันไปติดความซึมไปลนะ อย่าให้ซึมหน้าตอนนั่งแล้วก็นั่งเงนี้อย่างนี้ไปเข้าไปข้างหนอย่างนี้ไม่ดีนะยา้ำรู้สึกรู้สึกไว้อย่างตอนนี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหมมันสงสัยใช่ไหมใจมันเกิดความสงสัยขึ้นมามันก็หนีไปคิดถ้าเราภาวนานะใจสงสัยเรารู้ว่าสงสัยไปเลยอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ว่าใจไปคิดแล้วคอยรู้ทันเรื่อยๆอย่าเอาแต่นั่งสมาธิให้ซึมนะต้องนั่งด้วยความรู้สึกตัว อ่าต่อไปนมัส ก, การครับคื อ, อ, อผมจะถามหลวงพ่อว่าทำไมออวันวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกแบบจะสุขก็แบบสุขสุดๆเลยอะครับแล้วบางทีก็ทุกก็แบบทุกมากถึงขั้นแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับเราถูกอารมณ์มันครอบงำนะมีความสุขเราก็ถูกความสุขครอบงำใจแล้วก็หือหวาไปเวลามีความทุกข์เราก็ถูกความทุกข์ครอบงาใจก็เศร้าโศกไป คห้คอยรู้สึกตัวไว้รู้ทันใจใจมันมีความสุขนะเราก็เห็นใจมันมีความสุขมันไม่ใช่เรามีความสุขแต่ว่าใจมันมีความสุข <Okay. S 1> เวลามีความทุกข์เราก็ดูไปใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์ครับอยดูเรื่อยๆเราทำตัวเป็นคนดูนะอย่าให้ซึมก็แล้วกันนะครับนวัตสการครับหลวงพ่ออยู่ไหนนาะยกมือหน่อยครับคือ ตอนตั้งแต่อนุบาลก็รู้จักแต่ให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยค อ, อาทิตย์เลยครับก็เพิ่งมาได้ยินคาว่ารู้สึกตัวก็กับพี่สุพะครับตอนม อ, อยู่มห้ามหกอะครับก็จากนั้นก็ผมก็ไปไปเจอไปหาอาจารย์ ด, ดังตินนะครับที่งานสัปดาห์หนังสืออาจารย์ ด, ดังตินเขาก็แนะนำให้ผมแบบระลึกดูทาว้อย่างเงี้ยครับ ผมก็ทํามาเรื่อยๆครับผมอยากก็ใจใจมันเริ่มคลออกจากการเพ่งแล้วนะต่อไปนี้เรารู้ไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเลยนะไม่ใช่รู้แต่เท้าละครับแล้วคือตอนนี้ผมเผลอไปหรือเพ่งครับตอนนี้เผลอไปคิดใช่ไหมครับสังเกตแม่ใจมันวิ่งไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆไม่ห้ามมันนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วให้รู้ทันนะไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะครับ ใจมันไหลไปเรารู้ใจมันเนี่ยตอนนี้ใจมันไปล้วรู้สึกไหมมันจะไปสังเกต่ะมันจะไปดูใจให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอยากนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูอ่ะได้ไดไ <ป S 1> เ อ, อ้มันนั่งแข่งกันไหมหลวงพ่อนั่งมายี่สิบกว่ปี <c oughs> อ่านั่งไปแหมมีนั่งดูให้ดูด้วยรู้สึกไหมว่าเราน้อมใจให้นิง่ง <c oughs> ถอยขึ้นมา รู้สึกตัวเป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วก็เห็นร่างกายนี่หายใจไปมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะจิตนีไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเอาพอละพอละ อ, อย่านั่งให้ซึมนะที่นั่งอยู่นั่งแบบนั้นมันจะซึมไหมพยายามนั่งแล้วก็รู้สึกตัว คำว่านั่งสมาธิไม่ใช่แปลว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ใจซึมซึมไม่ใช่นั่งสมาธิก็คือมีความรู้สึกตัวในขณะที่นั่งเดินจงกรมก็คือเดินอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสาคัญที่สุดไม่งั้นเราจะซึมไป คนที่ติดสมาธิซึมๆนันนะจะอยู่กับโลกไม่ค่อยได้อะพอออกมากระทบกับโลกข้างนอกสิขี้โมโหพอเวลาหลบอยู่ข้างในนะมันมีความสุขความสบายพอเคลื่อนออกมาข้างนอกนะเจออะไรมันก็หงุดหงิดไปหมดเลยเพราะนั้นพยายามรู้สึกตัวนะอยู่กับโลกนี้แหละไม่ต้องหนีโลกไปไหนรู้สึกตัวอต่อไปมีไหมนม้นมัสการพระอาจารย์ค่ะคือเนาจะถามว่าในวันวันหนึงอะค่ะมันจะยุ่งยุ่งแล้วมันก็จะเหมือนแบบ วันๆมันก็จะหมดหมดไปผ่านไปเร็วๆมันก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ค่อยมีความสุขมันไม่ใช่ไม่มีความสุขแต่ว่ามันเฉยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันหมดไปเร็วค่ะแล้วคืออย่างนี้มันจะทํำยังไงคะคือหนูเคยอ่านหนังสือของท่านติชนาธานนะคะคือท่านบอกว่าแบบประมาณว่าถ้าเกิดเราฝึกสติมันจะทําให้วันหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่ามันยาวขึ้นแล้วมันมีค่ามากขึ้นอะไรแต่ละวันมันไม่สั้นมันไม่ยาวหรอกมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละนะยิ่งแต่เรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆเเราจะห็น ว่าร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวจิตใจก็เคลื่อนไหวแล้วใครรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปนะแล้วทุกนาทีจะมีค่าไม่สั้นไม่ยาวกว่าเดิมหรอกแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะมีคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะมาขอบคุณหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยบางคนมาจากเมืองนอกนะบินมาเรานึกว่าจะมาถามกรรมฐ า, านเราะจะมาขอบคุณหลวงพ่อบอกโอมาขอบคุณเปลืองไปอย่างเงี้ยนะเรื่องทรัพยากรมากไป พยายามฝึกนะรู้สึกตัวแล้วจะมีความสุขที่หลวงพ่อบอกไงว่าความทุกข์ในใจเราเกิดตอนเผลอเท่านั้นนั้นเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะแต่ไม่ใช่เพ่งไว้นะถ้าเพ่งเนี่ยไม่เรียกว่ารู้สึกตัวคําว่ารู้สึกตัวคือไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้นะรู้สึกตัวนี่ยก็รู้สึกไปธรรมดาธรรมดานะถึงจะใช้ได้อ่าต่อไปนมัส ก, การค่ะคือ เวลาหนูนั่งสมาธิอเงี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าเหมือนรู้สึกได้ใช่ไหคะแต่ว่าบางทีเงี้ยคือมัน ค, คิดไปพอมันกลับไปเมื่อคิดไปเหมือนแบบเหมือนคิดไปบ่อยเกินไปเงี้ยค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีเวลาใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันทุกครั้งที่รู้ทันเรียกว่ามีสติแต่ว่ามันจะไม่เป็นผลเสียใช่ไหมคะเป็นผลดีสิคนทั่วๆไปนะเผลอวันละครั้งเดียวเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับคือไม่เคยรู้สึกเลยนะ ส่วนพวกเราหัดภาวนานะเราจะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกนาทีหนึ่งบางคนเผลอได้ตั้งสามสิบครั้งเยเก่งมากเลยนะยิ่งมากยิ่งแสดงว่าสติเกิดบ่อยนะอย่างน้องหมวยรู้สึกไหมใจโล่งๆสบายขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่หมหมดภาระจะถามหลวงพ่อแล้วใช่ไหมนะใจก็โล่งขึ้นมาเราก็รู้ทันนะแล้วไงอีก แล้วสมมติถ้าเกิดเรามีอย่างสมมติว่าเรารู้สึกโกรธอย่เงี้ยค่ะเรารู้ทันโกรธแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เหมือนในเรื่องเดิมๆอย่เงี้ยค่ะแล้วเราไปคิดซ้ำความโกรธมันตามหลังความคิดมานะถ้าเราไปคิดถึงว่าสมมติเราเราแบบอาจารย์ซุปเนี่ยจู้จี้สอนเราเข้มงวดเกินไปแล้วพอเราไปคิดทางไม่ดีมันก็โกรธความโกรธนั้นมันตามหลังความคิดมาความคิดมันเกิดตอนเผลองั้นถ้าใจมันหนีไปคิดเรารู้ทันว่าหนีไปคิดนะ ไม่โกรธหรอกแต่ถ้ามันไปคิดแล้วมันเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ห้ามมันเราก็แค่รู้ทันว่าใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะไม่ใช่เราโกรธแต่เราเห็นว่าใจมันเป็นคนโกรธแล้วเราควรจะหยุดคิดหรือว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆปล่อยมันไปอย่าไปหยุดคิดนะไม่มีใครหยุดคิดได้หรอกอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยสิบห้าค่ะเคยหยุดคิดไหมอืมไม่เคยหรอก นะเราลองไปถามพ่อถามแม่ปู่ย่าตายายว่าอายุเท่าไหร่สูงอายุ80นะถามดูเคยหยุดคิดไหมก็ไม่เคยหรอกไม่มีใครหยุดคิดหรอกงั้นเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองให้หยุดคิดนะแต่ว่าใจไปคิดให้รู้ว่าใจไปคิดนะฝึกแค่นี้พอแล้วเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองผิดธรรมชาตินั้นเะดีย๋ยวตอนนี้ใจไปคิดใราไหมค่<อ>นะใจมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดนะขอบคุณมากค่ะ จันซุปสอนลูกศิษย์เก่งนะลูกศิษย์พอส่งการบ้านเสร็จนะใจสว่างขึ้นมาเป็นแถวเลยนี่จารย์ซุปเลือกมาหรือเปล่าเนี่ยเลือกมาแบบเจ๋งๆมาให้หลวงพ่อดูรึเปล่าอ้าวต่อไปต่อไปหมดหรือยังนมัสการครับอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็ น, นยกมือยกมือก็คือหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมากําลังรอหาว่าจะถามคําถามใครดีครับแล้วก็คือใจมันอยากถามแต่ว่า อารมณ์ที่อยากถามในะตอนนั้นอนะ่ะมันหมดไปแล้วอืมแต่ว่ามันก็มีคําถามขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าใจมันไม่มันวนไปเรื่อยๆว่ามันอยากถามแต่ว่าคํำถามแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันใจมันก็คิดไปเรื่อยๆสังเกตไหมความอยากถามก็เกิดตามหลังความคิดมานะนั้นบางคนอยากภาวนานะแล้วก็เกิดคําถามตลอดเวลาเลยก็คิดตลอดเวลาเลยไม่ได้ภาวนาสักทีต่อไปนี้ใจมีความอยากจะถามให้รู้ว่าอยากนะ ใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างตรงนี้นะแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดเลยครับเราขอถามต่อ น, นิดนึงครับก็คืออย่างเช่นเวลาใกล้สอบอย่างเงี้ยมันมีความขี้เกียจอยู่ในตัวเราก็รู้ว่าขี้เกียจแต่ว่าใจก็พยายามอยากจะขยันแต่ว่านี่อาจารย์อาจารย์บอกว่ามันเป็นการบังคับคือต้องดูอย่างนี้ความขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยนะให้รู้ทันมันความขี้เกียจมันเกิดกับใจนะใจมันเป็นคนขี้เกียจนะเราเป็นคนรู้เราไม่ได้ขี้เกียจ ด, ด้วย พยายามแยกออกไปนะเราไม่ได้ขี้เกียจนะเราเป็นคนรู้ว่ามันขี้เกียจเพราะเราเห็นว่าความขี้เกียจมันอยู่ตังหักความขี้เกียจมันจะหายไปเองท่นที่สมควรจะต้องขยันแล้วเราก็ขยันห้ามขี้เกียจนะห้ามขี้เกียจเดี๋ยวสับตกการที่คําว่าห้ามนี่มันแปลว่าบังคับหรือเปล่าไม่ได้บังคับให้รู้ทันมันถ้ารู้ทันมันนะมันจะกระเด็นหายไปเองแต่ว่าถ้าใจเราอ่อนแอเราจะถูกความขี้เกียจครอบงํานะ นั้นเราต้องทําใจที่เข้มแข็งหน่อยพยายามฝึกรู้ทันความรู้สึกต่างๆอย่างใจมันโลภขึ้นมาคอยรู้ใจมันโกรธขึ้นมาค่อยรู้ใจมันฟุ้งซ่านคอยรู้ใจมันสงสัยคอยรู้ใจมันซึมซึมคอยรู้หัดรู้เรื่อยๆนะต่อไปความขี้เกียจเกิดขึ้นนะจิตก็จะไปรู้มันมันจะกระเด็นไปเองนะแล้วบางทีมันไม่กระเด็นอะค่ะมันหมายความว่ารไร <ง S 1> ครับเรายังรู้ไม่เป็นยังรู้ไม่เป็นเออยังรู้ไม่เป็นนะใจเรายังถูกความขี้เกียจนะครอบงําอยู่ต้องฝึก สิ่งใดคือคำว่ารู้เป็นนะครับใจมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้ใจมันยังวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดนะหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆเนีย่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมหลวงพ่อจะพาดูสภาวะนะเนะีนะ่ยตอนนี้รู้สึกไหมใจมันจ้องมารอฟังหลวงพ่อเห็มใช่ครนะัตอนที่มารอฟังหลวงพ่อมันลืมตัวเองไปเราก็รู้ทันว่าจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนะตอนนี้จิตไปคิดแล้วรู้สึกไหม นี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพารู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตมัจะตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นขึ้นมาต่อไปความขี้เกียจเกิดขึ้นพารู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาความขี้เกียจก็เด่นหายไปเลยเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบครับเออหัดอย่างนี้นะต่อไปนี่หลวงพ่อให้กันบ้านกันบ้านของอาจารย์ซุปก็ต้องทํานะการบ้านของหลวงพ่อจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดเอาข้อเดียวแหละะทุกคนเลยนะจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดแล้ว เห็นไหมเบอร์สองน้องหมวยหนีไปคิดแล้วเห็นไหมน้องมุกหนีไปคิดละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยไปเพ่งแล้วนเะกิดไว้เรารู้สึกรู้สึกเบอร์สีใช่มันซึมซึมไปรู้สึกนะรู้สึกเราขอถามคาถามสุดท้ายครับก็คือว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่ามันมีความสงสัยตลอดแล้วบางทีอะความสงสัยเราก็คิดเหมือนกับเข้าไปในความฝันของความคิดอะ แล้วก็คิดเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เองจะทํำยังไงไม่ให้เรามันถ้ามันเป็นเรื่องเบี้ยวจะถ้ามันเป็นเรื่องทางโลกโลกนะสงสัยได้สงสัยแล้วก็ไปคน้นคว้าหาคําตอบนะเพราะเราจะอยู่กับโลกคนที่ไม่ยอมสงสัยเลยเล ย, เลยจะทํามาหากินไม่ได้หรอกนะงั้นต้องแบ่งกันนะแต่ถ้าอยู่ๆก็สงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้นะั่นเรียกว่าฟุงา้งซ่านแต่เราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเราคอยรู้ทันเราจิตใจเราจะถูกจัดระเบียบใหม่มีความสงบขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นมา คราวนี้เราก็เอาจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นแล้วไปทํามาหากินได้ไปเรียนหนังสือได้จะเรียนเก่งกว่าเก่าอกีกจากคำถามเมื่อกี้ไม่อยากคือไม่อยากให้ใจตัวเองอะ่ะเดินผิดเส้นทางคื อ, คอแบบออกจากทางสายกลางจะทํำยังไงครับให้รู้ว่าถ้ามันไม่สายกลางเมื่อไหร่ให้รู้ทันสิ่งที่หลุดออกจากทางสายกลางมีสองอันเท่านั้นไม่เผลอไปก็บังคับไว้เพ่งไว้ถ้าเผลอรั่วเผลอเพ่งรั่วเพ่งนะ ใจจะเข้าสู่ทางสายกลางเองจาได้ไหมตรงนี้ถ้าเผลอก็รู้ว่าเผลอนะเพ่งรู้ว่ากำลังเพ่งอยู่มันจะเข้าสู่ทางสายกลางสิ่งที่เป็นทางสายกลางคือคำว่ารู้รู้นี่ไม่ได้เผลอไปรู้นี่ไม่ได้เพ่งเอาไว้ถามดีนี่นะถามทางสายกลางอยากเดินถูกทางก็ต้องรู้ว่าทางไหนผิดถ้าเดินไม่ผิดทางมันก็ถูกทางเองแหละ ขอบคุณมากครับอ่าต่อไปพระวสกครับหลวงพออ่ออยากถามว่าบางคืนนะครับเวลานอนแล้วมันวันพรุ่งนี้สมมุติมันเป็นวันที่ว่าน่าตื่นเต้นแล้วเวลานอนนอนไม่หลับอะครับอืมแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นก็รู้ว่าคิดเรื่องนั้นอืมแล้วก็กลับมานอนแต่มันก็นอนไม่หลับ อ, อมไม่หลับลุกขึ้นอ่านหนังสือเดี๋ยวก็หลับก็ทําอย่างนั้น อ, ๆๆอะไรนะก็ทําอย่างนั้นแล้ว ใช่คือควรจะหลับหรือไม่หลับนะอยู่ที่สบายใจไหมถ้าสบายใจนะแป๊บเดียวก็หลับนะอย่างเวลาเรานอนไม่หลับเรากลุ้มใจใช่ไหมเราไม่สบายใจแล้วถ้าเราไม่สบายใจเรากลุ้มใจนะจิตใจยิ่งไม่มีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขยนะจะไม่มีความสงบแต่ถ้าเรามีความสุขนะสบายสบายรู้สบายๆแป๊บเดียวก็หลับแนละ้ถ้าเป็นคนปฏิบัตินะคนไหนมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่ยอมนอนหลวงพ่อบอกโชคดีล้ว วันนี้เราจะภาวนาทั้งคืนเลยถ้าคิดอย่างนี้นะห้านาทีก็หลับแล้วแล้วเมื่อกย้เวลาฟังหลวงพ่อเทศนะครับมันง่วง <c oughs> รู้ว่าง่วงแล้วมันก็จะหลับแล้วบางทีมันก็เผลอไปหลับนิด น, นึงแล้วมันก็ดุ้งขึ้นมา <c oughs> แล้วมันก็ง่วงก็นั่งเหมือนก็ง่วงง่ายแหละใช่ไถ้า <c oughs> <c oughs> อยากไม่ง่วงนะก็ลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวหาอะไรทำงั้นการปฏิบัติทำไม่ใช่การนั่งหลับอุหลับตานะเดี๋ยวก็ง่วงนั่งแป๊บเดี๋ยวก็ง่วงนะ้พยายามรู้สึกตัวให้บ่อ ย, อยในชีวิตประจำวันเนี้ยเราจะทำอะไรนะเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะ่เคลื่อนไหวไว้เราจะได้ไม่ง่วงแต่ถ้า ง, ง่วงจริงก็ไปนอนซะพนะระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ ง, ง่วงไว้แปดวิธีนะแปดวิธีอันหนึ่งคิดถึงสัญญาหรือคิด พูดยากอาจารย์ซุกไปสอนเราเองก็แล้วกัน <c oughs> คิดถึงคิดถึงเช่นคิดถึงอาสุพะสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายเราเนี้ยดูมันไม่สวยไม่งามสนะกปลกหรือคิดถึงมรณะสัญญาคิดถึงอีกหน่อยเราก็ตายแล้วอะไรเงี้ยการที่คิดคิดคิดเรื่องพวกนี้นะจะทำให้หายง่วงได้พิจารณาความรู้เราเคยเรียนอะไรมานะเราทบทวนวิชาการวิชาที่เราชอบนะ จะไม่ง่วงถ้าเป็นวิชาที่เราเกลียดนี่ไปดูเขายิ่งง่วงหนักกว่าเก่าอีกนะแล้วก็ท่องอะไรดังๆเช่นท่องสูตรคูณเสียงดังๆนะก็หายง่วงได้นะแล้วก็ลุกขึ้นมานะแหย่หูนะรูปหน้าอะไรเงี้ยนะก็แก้ง่วงได้นะหาน้ํามาล้างหน้านะบริหารร่างกายเหลียวซ้ายแลกวาดูทิศเหนือทิศใต้ดูทางโน้นดูนี้ก็แก้ง่วงไดนะ้ไปเดินนะเดินโจ ก, กลมก็แก้ง่วงได้ สมมติทำทุกวิธีทางแล้วยังไม่หายง่วงก็ไปนอนนะมาตรการขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะไม่ใช่ขั้นแรก <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยในเวลาหนึ่งนาทีนะเ <c oughs> อาก็ขั้นสุดท้ายเลยนะกระตุกกระติกไว้แล้วจะได้ไม่หลับมากนะอ้าวต่อไปธรรมศาสตร์หลวงพ่อครับคืออยากถามว่าบางทีเวลาเราฝึกสติอย่างนี้ครับ แต่ว่าว่าเวลาเรารู้ล้วก็เอาเอารมณ์มันดาาอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่รู้ส ภ, ภาวะอื่นๆครับมันจะนิ่งๆเฉยๆ น, นั้นเป็นสมถะนะเราก็รู้ทันว่าใจเรานิ่งแล้วเราก็รู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าใจเรานิ่งแล้วเราพอใจรู้ว่าพอใจถ้านิ่งแล้วเราเกิดกังวลไม่รู้จะปฏิบัติยังไงต่อแล้วชักกังวลรู้ว่ากาังวลนะมันไม่นิ่งตลอดหรอกนิ่งแล้วก็ค่อยรู้ทันใจตัวอีกทีหนึง่ง เราที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกกับนิสัยตัวตัวเองหรือเปล่าครับพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะกว่านี้นะ<อ>ถ้าเป็นนั่งมากๆอยซึมนะจิตมันพร้อมจะเข้าไปหาความสงบพยายามไปทํางานอะไรไว้กระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวนะแย่ตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหม<อ>ใจไหลรุบไปเลยแล้วก็รู้ทันเมื่อกี้ไหลไปข้างซ้ายหรือข้างขวาดูออกไหมเวลาไหลไหลเอียงๆได้เลยนะไม่ใช่ไหลตร ง, ตรง ดูออกไหมตะกี้ไหลข้างไหนซ้ายเออข้างซ้ายถูกอ เ, นะเอาละชักยุ่งแล้วดูกันใหญ่แล้วข้างซ้ายข้างขวา <laughs> ข้างไหนตกลงใครไหลไปข้างซ้ายบ้างใครไหลไปข้างขวาบ้างรวมความแล้วดูไม่ออก <laughs> อาต่อไป นามาสการขลุงนมาสการขลุงพ่อค<ช>ือแต่ก่อนหนูจะเป็นคนดื้อ ม, มากค่ะแต่ทีนี้พ่อได้รับวคำแนะนาดีๆจากพี่ซูปอะค่ะคือแค่นั่งฟังวีดีโอแล้วแบบมันเหมือนกับค่อยๆซึมซับ พ, พ่อมาค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับเราแบบสิ่งมีชีวิตที่เราเจอทุกๆคนนะคะทั้งทั้งสัตว์ทั้งคนมันเหมือนกับเรามีมุมมองแปลกๆใหม่ๆดีขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันสิ่ ง, งต่างๆที่มันมากระทบจิตใจเราค่ะมันทําให้เราแบบ รู้สึกเย็นลงค่ะใจเราเย็นลงอ่ะ<ม>เรารู้สึกสงบอ่ะ<ม>แต่ทีนี้เวลาที่คุณแม่มีปัญหาค่ะคือแบบในบ้านจะแบบอาจจะคุณพ่อแม่จะแบบมีปัญหากันบ่อยอ่ะค่ะแล้วหนูไม่อยากให้เขาแบบอยากให้เขาเข้าใจมนหนูค่ะแต่เหมือนกับว่าหนูยังถ่ายทอดยังไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจได้เวลาจะแนะนําพ่อแม่นะวิธีที่ดีที่สุดเลยเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นเราต้องดีขึ้นให้เขาเห็นได้เลยเราะั้นเราฝึกตัวเราเองก่อน อย่างเขาทะเลาะกันเราก็ยังใจเย็นสบายมีความสุขอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เเาห็นตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาเขาอยู่กันสองคนนะคะประมาณแล้วอยู่กับเราหรือเปล่าล่ะไม่คือหนูจะประมาณว่าดูยองห่างค่ะคือจะประมาณอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอยู่อยู่บ้านเดียวกันค่ะก็จะพยายามเปิดซีดีหลวงพ่อนะเปิดซีดีหลวงพ่อแล้วดังๆัหน่อยเขาใช้วิธีนี้มาหลายบ้านแล้ว แต่ถ้าเขาลำคาญเราก็ปิดซะนะตอนไหนเขาอารมณ์ดีเราเปิดอีกแล้วเขาค่อยๆซึมซับสอนคนแก่ไม่เหมือนสอนเด็กนะคนแก่จะเรียนรู้อะไรได้ช้าหนะ่อยแล้วคนแก่มาน่อัตตาเยอะถือว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วยิ่งเราเป็นลูกเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาไม่ค่อยเชื่อเราหรอกเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแบบขนาดใหญ่เขาถึงจะเห็นถ้าเขารู้สึกว่าเราดีขึ้นเพราะธรรมะได้นะเขาถึงจะสนใจ ถ้าเรายัางโมโหเช่นเห็นเขาทะเลาะ ก, กันเราก็โมโหไปด้วยนะแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าให้มาเรียนธรรมะเถอะเขาไม่รู้จะเรียนทําไมเพราะเขาก็เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรกว่าเขาดงนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะแล้วค่อยไปเปลี่ยนคนอื่นนะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาหนูเห็นค น, นข้างๆมีปัญหาค่ะคือเราชอบเก็บเอามาคิดอะคะ่ะเหมือนกับคิดแทนเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงเขาจนเราทุกข์เองอะคะ่ะให้เรารู้ทันใจเรานะ เราไปทุกแทนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองคือใครทําอะไรก็จะต้องได้อย่างนั้นเราเขาทำของเขามาอย่างนั้นเขาจะต้องมีความทุกข์เราจะไปแก้อยากให้เขาหายทุกข์อะไนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะเราต้องรู้นะว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เราไปบังคับให้เขามีความสุข Scott, อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกหรือบังคับให้เขาสนใจธรรมานี่ไม่ได้หรอกแต่เราทําตัวเป็นตัวอย่างให้เขาดูสิ คือพยายามทำตัวแล้วค่ะแต่แบบหนูชอบประมาณว่าพยายามจะพูดให้เขาเข้าใจอะค่ะแต่ให้เรารู้ทันความอยากของเราเรากําลังอยากให้เขาเข้าใจนะให้รู้ทันความอยากความอยากนี่นาความทุกข์มาให้ตัวเองเพราะรู้ทันตัวเองให้มากๆนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะบางทีก็ผู้หญิงไปบางทีผู้ชายไปเสร็จแล้วกลับบ้านไปยมีผู้หญิงมาเรียนกลับบ้านไปนะสามีเริ่มพบความเปลี่ยนแปลง ภรยาแต่เดิมนี้นะปากมากจู้จี้ขี้บน่นนะกินจุดูอย่างกระหมาอมอะไรเงี้ยนะนะนะหาดีไม่ได้เลยนะตอนจีบเขานาก็ดีหมดนะอยู่ด้วยกันแล้วแย่ลงอะไรเงีนะ้ยแต่ว่าพอภรรยามาเรียนกับหลวงพ่อเนะี่ยคอยรู้ทันใจเห็นสามีไม่ได้เรื่องเลยกำลังอยากบน่นรู้ว่าอยากบ่นนะรู้ทันบ่นไปก็เท่านั้นอ่ะบ่นมาทุกวันแนละ้วบ่นมาตั้งหลายปีแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยไม่บน่นะสามีก็เริ่มพบว่าภรรยามีความเปลี่ยนแปลง บางคนตามมาดูที่วัดหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อสอนยังไงว่าเมียผมดีขึ้นตั้งเยอะบางคนมาสารภาพเลยผมเหมือนได้เมียใหม่อีกคนตัวปากมากน้ำตายไปละเหลือคนเรียบร้อยน่ารักแล้วก็คนที่ศึกษาธรรมะ น, นะสวยกว่าเก่าสวยขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีหน้าตายุยยีดูไม่ได้หรอก <S <S คนภาวนานะสดใสซับซ่า เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาาสัมภาษณ์ลงหนังสือแอบอกว่าสวยได้เพราะว่าฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อนี่แหละสวยเพราะซีดีพวกเราได้ซีดีแล้วไปฟังนะไม่ใช่เอาครีมทาซีดีแล้วมาถูหน้านะสวยเพราะซีดีขอบคุณมากค่ะให้รู้ทันความอยากนะอยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันรู้ทันความอยากของเราเนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือ บางทีเนี่ยรู้สึกตัวแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลามีความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าเวลาที่มีความคิดที่เป็นกุศลนะคะแล้วเวลาที่มีความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะคิดค่ะก็เออเลยอยากอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าจิตตื่นขึ้นมาหรือยังะคะตื่นสิที่ภาวนาอยู่ใช่ได้นะรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นมารู้สึกไหม นะรู้สึกไห้ใจเราสว่างสวัยไม่มืดมืดเดืองแต่ก่อนแ <Okay. S 2> ม้เรามีความเปลี่ยนแปลง น, นะธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จิงๆเลยบางคนรู้สึกเหมือนเป็นมนเปลี่ยนใจเลยนะจิตใจที่มืดบอดนะสว่างสวัยขึ้นมาได้จิตใจที่จมอยู่ในความทุกข์นะความทุกข์ตกหายไปมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นได้ฝึกไว้นะเป็นของอัศจรรย์จิงๆพวกเรามีบุญที่สุดแล้วละ่ะได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้ที่มีศาสนาพุทธอยูนะ่แถมยังมีอาจารย์มาสอนให้ซิ ดีขอบคุณค่ะครับในมรสการพระอาจารย์ยกมือหน่อยหลวงพ่อไม่เห็นเคยอ่านในหนังสือของพระอาจารย์เรื่องสมมุติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะครับบางทีรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับผมสมมุติบัญญัติกับอะไรนะกับอารมณ์บัญญัติครับผมก็คือตัวสมมติบัญญัตินั่นแหละแต่คําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ เป็นสิ่งที่คู่กับจิตจิตคือตัวผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มีหลายแบบอารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอ <ix> ารมณ์ที่เป็นปรมัตดอย่างกายกระใจของเราเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์ปรมัดเพราะฉะั้นที่รู้สึกว่าสมมุติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะใกล้เคียงกันก็ถูกต้องแล้วต้องไงสนใจอะไรกับอารมณ์บัญญัติทําไมไม่สนใจอารมณ์ปรมัตด สนใจอารมณ์ปรมตต์นะครับคืออันนี้รู้ก็ปล่อยเฉยไปเลยใช่ไหมครับผมอย่าให้ใจนิ่งอย่างตอนนี้นะอย่าตอนนี้เฉยแบบนี้ใช้ไม่ได้เฉยแบบนี้เป็นเฉยที่บังคับตัวเองให้นิ่งนะต้องเฉยแบบสบายๆรู้สึกตัวสบายๆนะอย่าตอนนี้ใจไหลไปคิดซับไหมใจมันไปคิดรู้ว่าไปคิดดูเล่นๆนะรู้เล่นๆ น, นะท่องไว้นะเล่นๆเล่นๆเราได้ของจริงขอบคุณครับ อ่าเชิญคนต่อไปนัพัสกาหลวงพ่อจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากรณีถ้าเราปฏิบัติในด้านของสมถ า, ากรรมฐานเนี่ยนะมันก็มีเรื่อ ง, องการคิดเนี่ยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วมันก็เป็นจริงตามได้ได้นะเ อ, อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะนิดหนึ่งครับส่ว น, นกรณีถ้าเร า, าได้ถึงด้านสมถะแล้ว เ, เราจะหันมาทางในงวิปัสนาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าในส่วนวิปัสนาเนี่ย มันเจะเรื่องความนิ่งก็ดีเรื่องต่างเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยซึ่งไม่เกิดยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ความนิ่งความนิ่งเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแต่การตามรู้กายตามรู้ใจนะถึงจะทําให้เกิดปัญญาสมถะทําไปเพื่ออะไรสมรถะทําไปเพื่อให้จิตสงบให้จิตนิ่งจิตมีความสุขมีความสบายทําไปเพื่อข่มกิเลส ช, ชั่วคราววิธีทําสมถะคือน้อมใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆเช่นรู้ลมหายใจรู้อย่างเดียว จิตมันชอบเที่ยวไปทางโน้นเที่ยวไปทางนี้พามันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็สงบใช่ไหมได้ความสงบวิปัสนาไม่ได้มุ่งเอาความสุขความสงบความดีวิปัสนามุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจนะเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรไหมเคยนะมีกายในกายใช่ไหมเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยนะเพราะเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจนะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานอย่างนี้ถึจะเรียกว่าวิปัสนา นิดเราทําสมถะแล้วพอจิตใจเราถอยออกมาสู่โลกภายนอกเราจะต่อวิปัสสนาอย่างไงต่อได้หลายแบบแบบที่หนึ่งพอใจเราถอยออกมาเราเห็นเลยใจแต่กี้นิ่งๆิ่งตอนนี้ใจเริ่มเคลื่อนไหวนะใจแต่กี้สงบตอนนี้ใจเริ่มฟุง้งซ่านเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยเนี่ยจะขึ้นวิปัสสนาได้อีกอันหนึ่งพอใจเราสงบนิ่งๆแล้วนะออกมาถึงคอยรู้ร่างกายไหม เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะอย่างนี้แยกกายกับใจออกไปแล้วเห็นกายมันเดินกายมันยืนมันนั่งมันนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็เดินวิปัสสนาได้นะไม่ใช่ทําให้นิ่งนิ่งแล้วเกิดปัญญานะคือจุดเรื่องกายเนี่ยนะแล้วก็เคยสัมผัสแล้วก็ดูอยู่นะะแต่นี่ปัญหาว่าจากตรงที่เราเห็นกายเราเห็นอสุภะต่างๆแล้วเนี่ยนะจากลึกจากตรงนั้นไปเดี๋ยอยากทราบวาอสุภะอสุภะทำไปเพื่อข่มราคะ เนะห็นไหมทําเพื่อแก้กิเลสนั้นเป็นสมถกรรมฐานนะต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าแนะยากกายกับใจออกจากกันก่อนจิตของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรื่อยๆนะอันนี้ถึงจะเตือนปัญญาได้เคยมีคนถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามท่านจันรมหาบัวบอกถ้าผมทําสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกัน ทำสมาธิมากๆก็ได้ความสงบสนะิอยากเดินปัญญาก็ต้องรู้ถยูที่กายที่ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่ท่านสอนหลวงพ่อมาอย่างนีนะ้ไม่ใช่ทำให้นิ่งนะนะท่านนิ่งก็ได้แต่สมถะหลวงพ่อทำสมถนะ2 2ปีจนกระทั่งรู้สึกมันตันเลย ไปต่อไม่ได้จเจอกลุงปูดูนเข้าท่านสอนเราดูใจที่ทํางานใจที่เคลื่อนไหวเงินไปต่อได้นมัสการค่ะหลวงพ่อคือพี่ซุเคยให้ซีดีไว้ดูอะค่ะไปฟังแล้วทีนี้ก็เออเอาไปฟังที่บ้านแล้วเออความสุขบแบบเฮยใจลงมันแบบจิตมันตื่นขึ้นนะคะแบบเออมันเริ่มรู้อะไรเงี้ยมากขึ้นแต่แบบเหมือนฟังตอนนั้นมันก็แบบเหมือนตื่นตอนนั้นแล้วพอแบบแปะแหล่วันเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่ม ป, ปฏิบัติเหมือนกันแต่แบบ ก็ยอมแหลว่าแบบก็มีบางที่เผลออะไรเงี้ยก็รู้ว่าเผลอแต่พอไปแหละมันเข้าเหมือนกับแบบมันก็เริ่มแบบเฉยๆแล้วอะค่ะคุณมันเหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไว้อ่ะหลายวันแบตมันเสื่อมต้องชาร์จใหม่นะไม่ฟังอีกก็คือต้องแบบหมั่นฟังบ่อยๆอะไรฟังบ่อยๆนะฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไปค่อยขยันดูไม่ใช่ฟังทีเดียวจิตตื่นขึ้นมาแล้วมันจะตื่นตลอดการไม่ได้หรอกแบตมันเสื่อมขอบคุณค่ะ มีกไหมนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนยกมือยกมืออจะถามว่าบางทีแบบหลวงพ่อบอกว่าให้รู้อารมณ์หรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าคือเหมือนใจมันไม่มีแรงพอที่จะดูไวอ่ะค่ะเหมือนแบบให้รู้ทันว่าใจไม่มีแรงนะใจตอนนี้ไม่มีแรงจริงๆ <c oughs> เราไม่ฝืนมันนะ <c oughs> แค่รู้ว่าไม่มีแรง ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเราไม่ยอมรับความจริงอย่างสุดวตอนนี้ใจเราไม่มีแรงเราอยากให้มีแรงใช่ไหมเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันไม่มีแรงเพราะเราอยากขึ้นมาใจเราจะทุกข์หรือคนโน้นพ่อแม่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเราอยากให้เขาไม่ทะเลาะ ก, กันเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาชอบทะเลาะกันพอเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจเราจะมีความทุกข์เพะนั้นเราเรียนกรรมฐานนะเราหัดภาวนาในศาสนาพุทธเนี่ยจนกระทั่งใจเราอยอมรับความจริง ความจริงที่เกิดขึ้นในกายเราอยอมรับได้เช่นร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันแก่มันเจ็บมันจะตายเราจะไม่กลุ่มใจเราอยอมรับได้ความจริงในใจก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าเราอยอมรับความจริงได้นะเราก็จะไม่กลุ่มใจไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะใจจะเป็นกลางได้แล้วก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมันเป็นความสุขของผู้ใหญ่ที่รู้ทันโลกมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขแบบคนหลงโลก ต้องไงสังเกตไหมตอนนี้จิตมีแรงกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจมีแรงมากขึ้นนะค่อยๆสังเกตไปหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกไว้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อ้าวต่อไปได้กี่คนแล้วก็ไม่รู้เนาะอาจารย์ซุปสอนเด็กได้ดีนะสอนเด็กได้ดีหลวงพ่อว่าดีกว่ามีแต่วิชาการ นี่หลวงพ่อไม่มีลูกนะไม่น่าจะส่งมาเรียนกับอาจารย์ซุปนะน้ำมัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือตอนนี้หนูดูจิตคราที่แล้วที่ซิมปีไปหลวงพ่อบอกว่าหนูกดไว้นิดนึงค่ะแต่คราวนี้หนูกลับไปดูจิตเหมือนกับไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกตัวเหมือนกับดูหรือดูดูดรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบอะค่ะอืมก็เลยคิดครั้งแรกตอนนี้ไม่ค่อยกดละแต่ไม่กดเนี่ยแต่มันไม่ค่อยยอมรู้สึกนะใจมันชอบคล่ําครวนรู้สึกไหม หลวงพ่อก็กล่าวไว้คราที่แล้วคะ่ะอะไรนะหลวงพ่อก็พูดว่าหนูคล่าควรวนค่ะหลวงพุ่งไปรู้ตัวเองตอนอาบน้ำว่าหนูคล่าควรวนตลอดเวลาดูไปนะรู้ทันตัวเองรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาพอเรารู้ทันตัวเองว่าคล่าครวนนะใจก็ตื่นแล้วถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันตัวเองนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นม า, นาถ้าเมื่อไหรเราไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันกายรู้ทันใจของปัจจุบันมันก็จะหลงไปหลับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มคล่าครวนอีกแล้วรู้สึกไหม หนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่รู้สึกตัวค่ะไม่เป็นไรแค่ว่าใจมันคร่ําครวญแล้วคอยรู้ทันไว้คือหนูกลัวค่ะคือปีหนึ่งกลับมาเมืองไทยครั้งเดียวแล้วเขานี่กลกับมากลัวรู้ว่ากลั ว, ลวไปเลยนะไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยรู้ไปเลยนะแค่เนี้ยเราไม่พลาดลนะโอเคค่ะเขาน่ามาส่งแารบ้านใหม่ปีตอนเนี้นะเผลอ ER แล้วรู้สึกไหมคิด<ไ>ถึงคราวหน้าไปแนละ้ใจหนีไปอานาคตละ ดูออกเปล่าเผยตั้งแต่ยกมือครา้งแรกแล้วค่ะที่น้องๆถามหนูไม่รู้ตวัวออนี่เห็นไหมค่ําครวญ น, น้อยลงดูออกไหมชักเก่งแล้วนะไม่งั้นพูดทุกประโยชนจะต้องคลําครวญดูออกใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมหอนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วค่ําครวญน้อยลงแล้วขอบคุ ณ, ค, ณค่ะคนค่ําครวนมากๆไม่มีใครชอบหรอกเชื่อหลวงพ่อหนูไม่ได้อยากค่ําครวนเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เห็นไหมพอรู้ทันใจมันตื่นขึ้นมาเให้ดูนะดูเราปัจจุบันอ้าวต่อไปกลับเรียนถามอีกครั้งนะคะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอว่าไงคือว่าบางทีอะค่ะหนูจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกพอรู้ว่าคิดเนี่ยแล้วก็เหมือนรู้ว่าอยากตัวเองอยากให้รู้แต่รู้ทันความกังวลใจของเราสินะพอเรากังวลแล้วคิดไม่เลิกหรอกแต่มันไม่หายหนูก็เลยแบบ มันเหมือนกับวุ่นไปหมดในหัวหนูก็เลยแบบเปลี่ยนไปดูกายแทนนะคะยบงนีถูกไหมคะถู ก, ถกเราจะได้ความสงบก่อนนะได้สมถนะถ้าเมื่อไรมีการแก้อาการนะนั่นเป็นสมถะสมถะก็จำเป็นอย่างใจเราฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องนะเราก็มาดูร่างกายเช่นเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าจิตใจเราสงบขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปรู้เอาใหม่รู้จิตเอาใหม่นมันสการหลวงพ่อค่ะ ก็คือก็ดูจิตแล้วแบบบางทีก็รู้สึกว่ามีอารมณ์แบบเศร้าๆ อ, าอะไรเงี้ยนี่เองให้รู้ทันนะเราเมีวิญญาณนางเอกเวลาผู้หญิงเป็นเยอะนะชอบทําใจให้เศร้าๆเจ็บๆแสบๆในใจเนี้ยแสบๆนิดๆเน้ยสะใจดีอะไรเงี้ยเราต้องคอยรู้ทันมันนะมันเศร้าๆขึ้นมารู้ทันอย่าไยอมมันคือบางทีรู้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันเคยชิน รู้ได้ความเป็นกลางอย่เกลียดมันแค่รู้ว่าตอนนี้มันเศร้าแล้วดูเล่นๆไปก็เปลี่ยนอริยาบถ ไ, ได้ได้อย่า อ, อย่าให้ใจจมอยู่ในความเศร้าผู้หญิงเป็นเยอะนะเราเรียกว่าโรควิญญาณนางเอกเศร้าๆรอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาปลอบอย่างนีนะ้ให้เรารู้ทันเราเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองได้เรนะาพระจะแนะนำว่าให้ฝึก สมาธิมากขึ้นไหมคะหลวงพ่อพยายามเดินให้เยอะๆเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะเหมือนเดินจงกรมเลยเดินเดินเดินจงกรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เดินจงกรมแบบคลั่มเคร่งเคร่งเครียดไม่ใช่เดินสบายๆเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วเห็นใจแอบไปคิดขอบคุณค่ะพภาวนาดีขึ้นเยอะนะแถวที่สองมัสการหลวงพอครับ เขาก่อนไปที่ส่วนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเยอะครับอะไรนะเขาก่อนหลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเยอะก็กลับไปนั่งสมาธิโดยการไม่หลับตาอืมันอาการก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นสินะใจมันสบายขึ้นนะครับสบายขึ้นสว่างขึ้นโปร่งขึ้นดูออกไหมดูออกครับอย่าไปนั่งให้ซึมนะนั่งให้ซึมไม่ดีเลยอันตรายที่สุดเลยอนั่งไปถ้าอยู่ดีตามมันแบบไปเองนี่ไม่เป็นไรอย่าให้ขาดสตินะครับ นั่งรู้สึกตัวไปของคุณดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกนะดีมาสการครับคือเคยไปกราบหลวงพ่อที่ชมบุรีมีข้อสำถามคือเราจะสังเกตยังไงถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วเราไปติดอยู่ที่ความว่ากหรือความไม่มีอะไรครับของคุณไม่ติดนะตอนนี้ยยังไม่ติดหรอกไม่ติดใช่ไห ม, ม เ, รเราคือจะต้องปรับปรุงหรือเติ่มเติมอะไรย่งเงี้ยไหรู้สึกตัวได้ได้ครับอย่าไปกดไว้ตอนนี้กดอยู่ใช่ครับนะ รู้ทันทุกอย่างที่มันเกิดในกายในใจรู้เล่นๆไปครับกรบมนะนมัสการอีกครั้งครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับก็คืออยากรู้ว่าที่ตนเองทํามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้ว อ, อย่างที่สองเมื่อกี้ฟังมาแล้วอยากจะส่งกันบ้านแต่ว่าเนี่ยเป็นการพบหลวงพ่อครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปไม่รู้จะพบเมื่อไรจะถามว่าจะส่งกันบ้านได้ที่ไหนแล้วก็ถามว่าตนเองทํามาถูกหรือเปล่าครับสองคำถามครับอย่าอย่าไปบังคับตัวเองแรงนะ อย่างเคร่งเครียดไปเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเราฝึกจะเราไม่ทุกข์นะเราอย่าเพิ่มความทุกข์ด้วยการไปฝึกกรรมฐานเนะฉะนั้นอย่าไปเคร่งเครียดคอยรู้สึกตัวเล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะแล้วก็อย่าไปเกลียดกิเลสกิเลสเกิดก็ให้คอยรู้ทันอย่าไปเกลียดมันอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกในใจคอยรู้สึกนะแล้วถ้าจะส่งกันบ้านมาส่งอาจารย์ซุกก็ได้นะ หรือไม่ก็ไปบ้านอารีวันเสาร์ตอนบ่ายๆในอาจารย์สุรวัตรนี่มีอาจารย์อีกคนอาจารย์ธีรยุทธหยุดสอนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรัศการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ไหนอยู่ไหนจะขอเรียนถามว่าแล้วเวลาที่เราคิดเรื่องงานหรือคิดอะไรที่เป็นเรื่องๆที่เราจําเป็นต้องคิดนี่เรารู้เรารู้ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็แสดงว่าถูกต้องถูกต้องแล้วเวลาที่ถ้าเราเกิด ปกติมันก็จะอย่างที่พระอาจารย์พูดแหะคะ่ะเวลาสวดหมดก็จะหลงไปคิดเรื่องนื่นนขึ้นมาเรื่อยๆต่อเพราะเราอันนะั้ น, นคอยรู้ทันเอ า, านันานๆคอยรู้ทีนึงก่อน<ม>นานๆมันจ ะ, จะรู้ได้แล้วมันจะถี่ขึ้นเอง อ, อ๋อเราจะต้องพยายามรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้บ่อยๆแล้วเวลาเดินจงกรมนี่ก็ยังง่วงนอนทําไงเจ้าคะเดินจงกรมยังง่วงอีกเหรอเจ้าค่ะเดินแต่เช้าเชเลยไม่ใช่หมดแรงแล้วไปเดินก็ง่วงนะอ๋อถ้าเดินตอนทุน่งใหญ่จะเดินตอนกลางคืนนะเจ้านั่นแหละเราหมดแรงแล้วมันต้องการพักผ่อนแล้วมันไม่ไหวอ๋อ อยู่ในชีวิตประจำวันนี้เช่นเราจะเดินไปเข้าห้องน้ํารู้สึกตัวเนี่ยเรากเดินจงกลมแล้วเจ้าค่ะคือเราก็กําหนดด้วยไหมเจ้าค่ะแบบเราไม่ไม่ต้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวเป็นกำหนดนะให้รู้ไม่ใช่ให้กําหนดเจ้าค่ะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกได้เจ้าค่ ะ, <น>ะคือเราต้องพยายามนึกรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ใช่รู้ว่าทําอะไรอยู่รู้เห็นร่างกายมันทำงานรู้เห็นจิตมันทำงานตรงนี้เจ้าค่ะที่ทําไม่ได้เราจะแยกจิตใจเริ่มคล่ําครวนแล้วดูออกไหมเนี่ยเริ่มดูเป็นแล้วเนี่ยแยกจิต กับแยกรู้ออกมาตัวเนี้ยยังแยกไม่ได้ไม่ไม่ต้องรีบร้อนเจ้าค่ะอย่างเมื่อกี้เนี้ยใจมันจะไปท่ําครวนใช่ไหมเรารู้ทันมันก็หายอ๋อเจ้าค่ะรู้เท่าที่รู้ได้นะเจ้าค่ะไม่ใช่ต้องรู้ตลอดเวลาเจ้าค่ะอย่างตอนเนี้ยใจหนีไปคิดทราบไหมไปกดไว้ให้นิ่งแล้วทราบไหมของคุณกรรมฐานเดิมที่ฝึกอยู่นะไปเพ่งไว้นะเจ้าค่ะเป็นกรรมฐานกดเจ้าค่ะอย่าไปกดมันอย่าไปกําหนดมัน ไม่ต้องกําหนดเลยแหละเจ้าเรารู้เฉยๆว่าเราทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงกําหนดไม่ใช่นะท่านบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนอย่างที่เราคิดเห็นภาพนี้เป็นเราคิดหรือเรารู้เจ้าคะจิตมันจิดแล้วก็เราเป็นคนรู้ว่าจิตไปคิดแต่ถ้าไปเห็นภาพเนี่ยเราหลงไปคิดล้ว เจ้าค่ะดังตรินนะดังตรินวันหนึ่งไปหาหลวงพ่อไปคุ ย, ค, ยคุยกันบอกผมรู้แล้วว่าพระอราหันต์ไม่เหมือนกับคนทั่วไปยังไงเจ้า ค, คนทั่วไปเวลาคิดนะมันมีอิมเมจพระอราหันต์คิดไม่มีอิมเมจไม่เข้าใจเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่ต้องเข้าใจขอบพระคุณ<ะ>เจ้าค่ะสังเกตไหมเราคิดมีภาพขึ้นมามีเราขึ้นมามีภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา กลับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับเต้นไหมเต่นเต้นมากเลยครับอารู้ว่าตื่นเต้นนะครับก็อยากจะทราบว่าเอออยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูเรื่องสภาวธรรมอในตัวผมคือผมอยากจะมั่นใจว่าผมปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับเหรออย่าอยากสิอยากจะมั่นใจรู้ว่าอยากนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมครับอย่าบังคับตัวเองขอ ง, งคุณรู้ร่างกายไหมนะไม่ต้องไปสนใจจิตมากนะครับ เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะครับรู้สึกบ่อยบ่อยหลวงพ่อชอบให้ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อไม่ชอบทํากรรมฐานนิ่งนิ่งเพราะทำกรรมฐานนิ่งส่วนใหญ่ไปติดสมถะก็คือจิตที่ที่ผมควรจะฝึกก็คือเป็นเกี่ยวกับกายหรือว่าความคิดครับรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปก่อนนะสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตเองได้ครับ เพราะของคุณแน่ใจมันยังดิ่นรนฟุ้งซ่านเยอะอยู่พยายามรู้สึกกายมันจะได้สมถะแทรกเข้ามาไปดูจิตมันจะฟุ้งดูยากได้ครับขอบคุณมากครับขอถามบ้างนะพอดีเพิ่งนึกได้ว่าคราวที่แล้วหนูพ่อบอกว่าผมมักชอบชอบดูจิตแลให้มาดูกายแต่ใจมันก็ยิ่งชอบดูดูความคิดอยู่เรื่อยครับมันเป็นเพ่งความคิดนะมันเป็นเพ่งรู้สึกแหมพอไปดูแล้วมันนิ่งมันไม่เป็นธรรมชาติ เวลาเราภาวนานะเราอย่าไปดัดแปลงจิตจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทำมิปรสนาเัื่อ้เราอย่าไปทำลายจิตมนุษย์ส่วนใหญ่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิง่งจิตนิง่งๆจิตอย่างนั้นมันไม่แสดงไตรักมันจิตของพรมดังั้นพระปลอมนะภาวนายากกว่าเราเยอะเลยพระพรมจิตมันนิง่งๆ ไม่มีใจ ร, รักให้ดูจิตมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแสดงใจรักตลอดเวลาจิตของสัตว์นรกก็ไม่ดีมันมีความทุกข์คงที่อยู่อย่างนั้นนะทุกข์อยู่อย่างนั้นมันดูยากจิตของเปรตนะมันก็โลภอยู่อ ย, นะ อ, ยอย่างนั้นนะอยากอยู่อย่างนั้นนะมันดูยากมันค่อนข้างจะคงที่ อ, อยากยาวจิตของสัตว์ในรชันก็หลงไปเรื่อยๆก็ดูยากจิตของเทวดาก็มีแต่ความสุขความสบายก็ดูยากนะมันเผลอเผลินง่าย จิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเหมาะที่สุดเลยที่จะทำหิปัสสนาเพราะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานใช่ไหมดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปล ง, ต, งตลอดเวลาเราแค่มีส ต, ติตามดูไปเรื่อยๆนะสรุปจุดอ่อนก็คือยังยังเพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่นะได้เวลาสมควรแล้วครับเหลอสมควรแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อยังมีอีกก็ค <c oughs> <c oughs> ้าจานครับดีว่า ถ้าเราผมจะดูสติครับผมจะดูว่าผมจะเอาใจเนี่ยไปผมจะเอาหัวไปคิดมากกว่าดูที่ใจครับเราเปลี่ยนใหม่นะเราก็คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเราลองเปลี่ยนวิธีถ้าเราไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องคิดนะเราคอยมารู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ้างเราชอบบางทีเราแครความรู้สึกคนอื่นหรือว่าบางทีก็ไม่แครความรู้สึกของคนอื่นลองมาแครความรู้สึกของตัวเองบ้าง ใจเรารู้สึกยังไงนะคอยรู้ทันเรื่อยๆลองเพิ่มตัวนี้ลงไปสรู้ทันยังไงครับก็ดูอย่างรรยตอนนี้รู้สึกไหมมันกลุ้มใจใช่ไ้มดูเราเห็นไหมมันกลุ้มใจเราก็รู้ว่ามันกลุ้มใจเนี่ยตอนนี้ใจเราไปคิดทราบไม้มใจเรา<ช>ไปคิดเห็น<ช>ไหมดูง่ายเด็กๆดูง่ายหลวงพ่อบอกแล้วพรอาจารย์ครับเราตอนเนี้ผมควรจะฝึกอะไรให้แบบจะได้เรียนหนังสือไปแล้วใจกังวลรู้ว่ากังวล ใจเป็นยังไงรู้ทนันไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆทําหน้าที่นะตอนนี้มีหน้าที่เรียนเรียนให้เก่งๆนะเรียนไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปครับแถมตัวนี้แล้วเราจะได้มีทั้งความรู้แล้วเราจะมีทั้งความสุขด้วยคนมีความรู้อย่างเดียวนะหาความสุขอย่างไม่ได้หรอกยิ่งมีความรู้อะไรคุณธทรำรนะยิ่งไปทําชั่วได้มากกว่าคนอื่นนั้นเรามีความรู้นะแล้วเรามีสติเยอะเราได้รับความสุขด้วยนะ พอเราจิตใจเรามีความสุขนะใจเราจะเต็มอิ่มเราจะให้คนอื่นได้อย่างอาจารย์ซุปเนี่ยให้คนอื่นได้นะให้ได้เพราะอะไรเพราะเขาเต็มที่ใจเขาเต็มนะเขาเข้ารู้ทันใจถ้าใจของเรามีแต่ความอยากแผดเผาตลอดเวลาใจแห้งผากลใจไม่เต็มหรอกใจบกพร่องตลอดแล้วเราคอยรู้สึกรู้ทันเนี่ยตอนนี้ใจผิคิดทราบไหมทราบนะฮัตรงนี้นะใจผิดคิดเรารู้ใจผิคิดเรารู้ยกเว้นตอนจะทําข้อสอบนะ เราเวลาเรียนเนี่ยครับเวลาแบบเรียนต้องตั้งใจเรียนกฎระเรื่องกันโอเคครับเวลาอยู่เฉยๆที่ไม่ได้เรียนนี่แหละชอบแอบไปคิดเรื่อยเปื่อยตรงนี้แหละให้คอยรู้เอาแล้วผมหามอีกอย่างนะครับก็คืออาการแบบเวลาความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็คือสมมเราก็เห็นนะแบบความรู้สึกอันนี้มาแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกใหม่มาแล้วก็หายไปแต่โกรธโกรธแม่ครับโกรธน้อยมันก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมครับ ส่วนแม่กับโกรธใครนะโกรธมากกับโกรธน้อยครับก็คือโกรธมากกับโกรธน้อยใช่ครับใช่ผมรู้สึกว่าโกรธมากดีกรีก็ไม่เหมือนกันเ้ากรดยากมันจะรู้สึกแบบระงับได้ยากกว่าด้วยไหมเราไม่ระงับนะเราจะฝึกรู้มันเราจะฝึกไปเรื่อยๆจนเราเห็นว่าตัวที่โกรธเราไม่ใช่เราโกรธเราจิตใจมันเป็นคนโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเพราะจิตใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเราไม่ได้โกรธด้วยนะใจเราสบายเลยความโกรธจะกระเด็นออกไปเองไปฝึกนะ เราเป็นคนเก่งในทางโลกแล้วต้องเอาทางจิตใจให้ได้ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ไม่งั้นนะมันได้ชีวิตกับพร่องกับแฝงอย่างคนเก่งมากๆมีความรู้มากนะทำงานดีร่ำรวยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมันไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขสังเกตไหมมีใครมีความสุขสังเกตเถอะคนหนุ่มๆหมล่อๆนะไปเป็นนายกสักพักเดียวก็หวงอกนะไม่มีความสุขหรอกนะแต่เรานี่แหละจะมีความสุขได้ เพราะเราถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเรารู้ทันตัวเองหนะความทุกข์จะย่ำยีเราไม่ได้นะครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้หมดละนะหลวงพ่อก่าวสรุปนะสรุปก็คือศาสนาพุทธสอนให้เราเรียนรู้ตัวเองนะแล้วเราคอยรู้กายรู้ใจไว้เรียนรู้ตัวเองแล้วจะได้อะไรเราจะพ้นจากความทุกข์ใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานอยู่ โดยที่ไม่ต้องบังคับนะความสุขในโลกก็มีนะแต่เป็นความสุขที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขในโลกเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นแต่ความสุขในธรรมะเนี่ยอยู่ของเราคนเดียวเราก็มีความสุขได้เราเต็มอิ่มของเราได้นะนะเราฝึกเอานะเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิน้นเบื้องต้นตัว เ, เราเองฝึกพอเราเปลี่ยนแปลงคนในบ้านเราจะเริ่มเห็นต่อไปในบ้านเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะ เราไปทํางานที่ไหนคนรอบตัวเราเขาก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมได้นะแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะด้วยการพัฒนาใจของเราคอยรู้ทานกิเลสที่เกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆไปนะเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเราจะช่วยสังคมที่อยู่ใกล้ๆตัวไดนะ้ช่วยสังคมทั้งโลกอะไรทั้งประเทศอะไรนี่มันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยตัวเองแต่ละคนหมวแต่ตามใจกิเลสแล้วนะเราอย่าไปหลงตามโลกเขานะเราคอยรู้สึกไป เรียนหนังสือก็ต้องเรียนให้เก่งมีหน้าที่เรียนต้องเรียนให้ดีที่สุดนะแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองเราจะมีทั้งปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมชีวิตเราถึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดวิ่งกับพร่องกับแกล้งทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ขาดวิ่งหาความสุขไม่ได้นะต้อตะเกียบตะกายไปหาความสุขที่คนอื่นอย่างบางคนนะต้องให้คนอื่นยอมรับต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขเลยนะต้องไปอิงอาศัยคนอื่นตลอด อยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีแฟนต้องมีอย่างโน้น Lean, ต้องมีอย่าง น, นี้นะต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขมือถือต้องรุ่นนี้ถึงจะมีความสุขไหความสุขของเราอิงอาศัยสื่อข้างนอกท้งนั้นเลยนั้นเราฝึกตัวเรานะจนเ <actor> รามีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองถ้าเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองแล้วก็คราวนี้ใจเราจะล้นความสุขมันล้นออกมามันจะเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมันจะไม่ได้เข้าไปแย่งชิงคนอื่นเขาแต่มันจะเผื่อแผ่ความสุขไปสู่คนอื่นโดยอัตโนมัติเลย งั้นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเนี่ยสังเกตไหมครูบาอาจารย์นะถ้ามีความสุขเนะข้าใกล้ๆก็มีความสุขนะใครเข้าใกล้ก็มีความสุขท่านเผื่อแผ่ความสุขออกไปสู่คนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะงั้นเราฝึกนะวันนี้เรายังเด็กอยู่เราฝึกทุกวันทุกวันพอช่วโมงบินเราสูงเราชํชนานิชํานาญแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น ะ, ะสมควรแก่เวลานะอันนี้อ่ะครัผมขอ ขอเป็นตัวแทนนะครับในการนำถวายทานขอเรียนเชิญคุณพ่อเกงผลคุณแม่ชิรดีครับมีของที่ญ า, าติธรรมนำมาถวายนะครับเดี๋ยวทุกคนกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย <c oughs> ปัจจัยทายธรรม <c oughs> และของถวายทั้งหลายเหล่านี้แด่พระจารย์ ปราโมทปราโมทโชว์ชวขอพระอาจารย์จงรั บ, พรรบเพื่อประโยชน์สุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาาาตลอดสิ้นกาลนานเทิ น, นก า, นนาธุหลวงพ่อให้พรตามธรรมเนียมนะคา <c oughs> จริงไม่ให้ก็ไดนะ้แต่ให้เป็นกำลังใจนะยะถาวอริวหาปูร า, ป ร, าปริปูเรนติสากขรงัง เอวเมวายโตดินนังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโดพนรโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพีตโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะาอภาิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโน จตารโรธรร ม, มาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังล